โปรเจกต์แม่งเยอะเหลือเกินแฝุดแรกเป็นดวงจันทร์นะเป็นเลเซอร์ลิเทียมฟัวลายป็นตัวใหม่ละเงี้ยเจอหลังเตอหายว่นวันวันหนึ่งนะก็วันวันหนึ่งก็ไม่แทบจะไม่เจอแสงแดดเลยนะยกกกเกี่ยวกับพีม้าตลอดไเงี้ยแดดคุมๆอะไรเงี้ยทำงานประดเวลาที่นสร้างมันไม่ต้องตอบบัตร แต่มันจะรู้ว่าคุณทำงานหรือเปล่าเนี่ยที่ผลงานเพราะทุกหกเดือนผมต้องพีเ้นผลงานโรงต้องตอกบาทไหม <c oughs> แค่นี้กูก็ทำหัวโตแล้วนอนตีสี่ตื่นตื่นสิบโมงเชา้าแล้วสุดยอดการทำงานคือไม่ต้องขับรถไปทำงานคุณก็เสียบเสียบเน็ตอะ ที่ที่ผมพูดถึง15ปีที่แล้วนะพวกคุมีเนตกันมาตั้งนานแล้วพวกมึงพวกมึงมาเล่นกันโหคุณเล่นมา15ปีแล้วโนฮาร์เราแสงในนี้ไปเยอะแล <c oughs> สุดยอดการประชุมที่ไม่ต้องประชุม <c oughs> อยู่ในเน็ตได้ยังไงเน็ตฟัด ก, กันในเนี้ยพอก็จะมีวิ่งขึ้นให้เราอ่านก่อนงานก่อนเสร็จปั๊บถ้าต้องการโมอินฟอร์เมชันคือต้องการข้อมูลเพิ่มก็คลิก คลิกว่าต้องการอ่านอะไรเพิ่มคลิกๆๆเดี๋ยวสัาพักหนแม่จะส่งมาให้อ่านนั่นก็คือก่อนเข้าประชุมคุณต้องอ่านแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นประชุมสำคัญแม่งมี quiz q u i t ก็คือคําถามก่อนประชุมเพราะงั้นายเข้าประชุมเข้าใจไหม <c oughs> คือมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงเข้าไปประชุมกับ้าก็าด่ามเลยฮะก็ทดสอบว่า ร, ารู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่าเสร็จ แ, แล้วก็มีการ b o r d คือแทบจะไม่ต้องเจอหน้ากันเยทุกอย่างม่อยู่ในคอมพิวเตอร์ออนไลนแล้วคุณจะประชุมันทำาดเลยไรการเรียนรู้ต่างๆก็อยู่ในคอมหมดเลยทำงานมีพาสเวิร์ดเข้าไปดือดเดือดอดนอนยู่ชาหาดคงก็นั่งทำงานได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ล็อกออนก็เครื่อคอมพิวเตอร์ัสองสามวัน เดี๋ยวเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์แม่ก็จะมาเตืนว talk, talk, talk, ่าตาตาตาแหวะอยู่รีพอร์ต ด, ดน่นเลยมึงเล่นมึงก่อนอ ง, งานแรกนายก็รู้ไปไหนก็จะรู้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องคุยกันนิดนึยเพราะมันทีมเวิร์แต่เรี๋ยมบอกการทำงาน n า s าเนี่ยเป็นทีมเวิร์มากๆเลยคนคนหนึ่งไม่สามารถทำอย่างนึงได้มันคือคนอเมริกันเนี่ยที่มันที่มันเก่งนะก็คือทุกคนแม่งมีความเป็นทีมเวิร์กกีฬาประจชาติของมันคืออะไรคืออะไรไทเด มีการฟุตบอลกับเบสบอลมันพีเป็นกีฬาที่เน้นสถิติเน้นตัวเลขแต่ผมเน้่ยมีลูกน้องไอ่ลูกน้องเราเรียกทีมงานดิค่ะไอจอ็อกที่จบช่างกลใช่ไหมสมมติคุณไอจอ็อ์จบช่างกลผ ม, ม Engineer. เป็นเอนจิเนียร์ก็จะมีไอจิมไอบ๊อบซึ่งแม่งเก่งคนละอย่างแล้วเขามารวมตัวกันเก่งคนละอย่างเลย มารวมตัวกันเพื่อจะทําเครื่องบินในพนรุ่นใหม่เพื่อไงยังซึ่งผู้สมรับผิดชอบทางด้านไอพัรไอพ่นพวกสบายพวกนี้แรงขับดันทํายังไงจะสู้กับมิกสามห้าได้เพราะเอสสบกของเราเนี่ยมุมกระหนกปืนเนี่ยสู้กันไม่ได้ขีดจํากัดสู้ไม่ได้การหักเรี้วเหลี่ยมดางสู้มิกสามห้าไม่ได้ถ้าไม่คุณจะถล่มแม่งได้เพื่อไงยังทันทีผมก็มีหน้าที่ทำเครื่องบินในพ่นให้ใช้น้ํามันอะไรก็ได้ ไม่ใชเป็นน้ำมันเครื่อง บ, บินสมัยใหม่ะนั่นคืออันน้ำมันรถจนใส่ได้เลยใช่ยังแต่ไปคิด่งพวกนี้เรื่องจุดระเบิดทักงเครืร่องบิน f อฟีิบสองกูเอฟยี่สิบองยงตัวใหม่อะคิดที่ขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมไหมีต้หลายตัวตั้งเอฟยี่สิบสองอสี่เอแม่มาเรื่อย น, นั่งคิดกันมาเรื่อยทำเรื่องพวกนี้เป็นทีมแล้วพอครบโปรเจกต์ครับ ก็มานั่งจับทีมกันใหม่สมมติคุณกับผมอยู่สี่คนทีมเดียวกันเนี่ยผมเป็นวิศวะเนี่ยจําเป็นไหมผมต้องเก่งคณิตศาสตร์ไม่จําเป็นเนี่ยไอจิมแม่งจะเก่งคณิตศาสตร์ติดสมการอะไรก็แล้วแต่เขียนสมกสารใส่คอมแล้วส่งไปบ้านจิมหีือจิมแม่งคิดให้กูดีไซเนอร์กูไม่ใช่แมชชิเมติกเขาอยากให้ขงกูถ้ามึงเรียนเครื่องกลมึงจะรู้เลยเนี่ยผมไม่เรียนเครื่องกลเลถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเอาแต่ไอเดีย และดีไลทสมการที่มึงคิดของใครไม่ใช่ไงของมึงใครมึงแม่นั่งเก่งทั้งคณิตศาสตร์ถูกไหมแล้วมึงเก่งทั้งคิดสุดท้ายมึงโปรเจกต์ไม่เสร็จสักอันคิดอยู่พวกมึงก็เจ๊งเลยแต่ว่ากูคิคดเสร็จปั๊บอ่สมการมัความเป็นไปได้ยี้จีนแม่คานวณสมการให้เดี๋ยวก็ออกแล้วนาซาเนี่ยสุดยอดของการคานวณคือไม่ต้องคํานวณแม่งใช้คอมพิวเตอร์หมดแล้วคูณจะอัโตแคนใช่ไหมโอ้ผ ม, ผมแม่อัโตแมทคุณมีหลังพวกมึงยี่สิบปี กดขึ้นไปเลยอินอนะดิเกตหาแล้วได้กดโดยกดตั้งนี่แม่ตอบไปแล้วเรียบร้อยดีไซน์เอกซ์เพลเมนเนี่ยคนง่ายเนี่ยเติมคำในช่องว่างไม่ออกนะการออกแบบการทดลองตุดๆๆ๊ดดู่ว่าไม่ออกไอไอพวกไอบอบนี่จะคุยเรื่องต้นทุนเรื่องคอสติ้งก็ปล่อยวิศวะกับช่างกลทำงานด้วยกันนะต้นทุนชิดหายหมดเขาจะไอ้แ <c oughs> ม้แม้จะมีคนคอยคำนวณบัตเจ็ด คนที่จะแปลงต่อให้ไปเป็นวิศวะอุตสาหกรรคนที่ไม่ได้คิดต่อเป็นโปรเซส ต, ต่อไปใช่ไหมเราคิดห้องแล็บมาแม่งได้ออกไปแม่งไม่ได้เองครับแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นตัวพรีเซนต์ตัวทํารีพอร์ตคุณว่าพวกเราสีคนชอบทํารีพอร์ตไหมคุณไม่ชอบอ่ะคุณต้อจ้างคนมาทํารีพอร์ตได้เป็นทีมงานแต่ถ้ามึงจ้างคนมาคนนึงเนี่ยเงินเดือนมันจะมีฟิกอยู่อย่างนี้ถ้ามึงจ้างห น, นึ่งสนใจว่าอะไรไปได้มึงหายเออมึงจะจ้างมึงจ้างหรือมึงจะทํารีพอร์ตเอง เราคนสีก็ต้องมาได้พี่เจนเอาวะเอาวะเข้าใจ ไ, ไหมไงเป็นทีมเมื่อกอดแล้วถึงเวลาสามปีสีปีก็เปลี่ยนเปลี่ยนโปรเจกต์เปลี่ยนโปรเจกต์ก็ต้องไปจับมืออีกคนหนึ่งอย่างทำีิเทียมฟัวร์ไลน์ผก็จับอีกทีมหนึ่งทำคอมโพสิตตัตว ใ, ห ม, น ใ, นใหม่ซิลิคอนไนไตร์ช่วยซิลิคอนไนไตร์ก็จับอีกคนหนึ่งขุดแร่บนดวงจันทร์ก็ต้องไปจับอีกทีมหนึ่ง แล้วก่อนกลับมาเนี่ยผมอยู่โครงการ G เท่ากับ0เจอกีกับ ย, ไ, บยไหมค่า Gra ฟิตีเป็น0ก็คือพวกผมต้องไปอยู่ในยานลอยฟ้าแล้วเมื่อยานลอยฟ้า G ไม่เป็น0ทุกอย่างแม่งเปลี่ยนหมดเลยทั้งการผสมพันธุ์ด้วยถ้าคุณก็เดินทางในอวกาศผสมพันธุ์มีปัญหามิชชชั่นมีปัญหาไหมครับคุณไม่สามารถสืบพันธุ์ได้เลย ม, มิชชชั่นแม่งเราตายหมดเราไอ้ซูนว่าโลกนี้ถูกระเบิดทำลายทิง้งพวกเราต้องมีาหากินอยู่ใน Space Shu ติลทั้หมดเราจะอยู่รอดได้ไง How to survive right? มันก็เป็นทีมแล้วก็สับมนเป็นสับโปรเจกต์เยอะๆคู่ผมต้องขุดแร่เป็นโดนจันเพื่ออะไรผมมีต่้งหลายโางการนะโครงการไปเอาน้ำให่ดาวพุณหัสโครงการไปเก็บไฮโดรเจนเหลวที่ดาวพุณหัสแล้วเยอะแยะๆแล้วก็ไปยูเรเนัสเพราะคุณยิ ง, ย ง, ยงจรวดต่อเป็นขออั้วใช่ไหมไปเป็นสถานี่แค่ว่าเป็นทีมไงมันก็แบ่งงานทามั น, มมนมี่มหกเดือนผลงานไม่ออกก็เลยครับ ลุงไอ้สามคนนี้มันเอามึงไว้ข้าวหน้าเอาสมองให้โปรเจกต์พวกคุณอันนี้นะทำโมดิฟายกันตักเครื่องอีงมึงสี่ตัวแลก็เข้าเข้าทีมกันถูก ว, ว่าใช่ไหมรายได้อ่านด้วยอ่านสี่ด้วยพอไปได้เท่าหเดือนนี้มีโปรเจกต์ใหม่มาพวกมึงเอาใครออกสี่คนเนี้พี่เป็นที่มาของวิชาที่ชื่อกำจัดจุดอ่อนทุกตัว เขาทำให้การการผลงา น, นงต่างๆไม่ออกมันเร็วแตบบ่ไทยๆก็เกรงใจกันนะที่เขาอยู่มานานไอเวนฝ่ายตัวนี้อยู่มานานจะเลี้ยงฝ่ายตัวนี้ต่อเขาจยังโนครูเขาไม่นุ่งมือมึงเพราะมึงหว่วยนะตอนหน้าเราสี่คนก็สวัสดีมึงก็ตกงานละมึใจใหคนหนึ่งใช่หัหยผ่านไป6กเดือนมึงห่ ว, ย, หวยก็เปลี่ยน ทาไมมาปูเองหว ย, ย <c oughs> ที่ไายขอตัวอย่างในโลกนะเชิง behavior อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเปลี่ยนที่ใจอะ่ะค่อนข้างยากแต่ถ้าเปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนได้นานมากจะเปลี่ยนที่ดีส่วนเลย่จเปลี่ยนบริบทเขาเรียกเปลี่ยน context เปลี่ยน surrounding หรือเปลี่ยน system ในการบริหารแล้วคนจะเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่นคนญี่ปุ่นเมื่อก่อนแม่งไม่ตรงกับเวลาแม่งเหมือนคนไทยทำไมญี่ปุ่นไม่เริ่มตรงกับเวลาิงานวิจัยก็ออกมาแล้วว่าตั้งแต่ญี่ปุ่นมีรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถไฟฟ้าบนดินรถแม่งออกคงเวลาทั้งหมดช่วยครับถ้ามึงขึ้นไม่ตรงเวลามึงไปสายนี่นี่นัมาคนญี่ปุ่นแม่งเริ่มหัดตรงเวลาพเพราะรถแม่ตงตองรงเวลาก่อนของเราตกลงปะ มืองแงนงตื่นก็มากตาพุธขับมาทำงานก็มากตาพุธใช่ป่ะลองเรียนมาหลังสุดๆเนี่ยนะาบายโมงปิ้งเข้าเรียนไม่ได้เงี้ยทำบ่อยๆบย่อยๆเดีย๋ยวคุณจะเริ่มนั่นนะคุณจะเริ่มซีรสกับมคุณจะเริ่มสนใจเรื่องของเวลาใช่ครับมีของเราเหลิงเี้แล้วก็หลิงเี้กูก็เลยเหลิงเลี้ยงไปด้วย <c oughs> เนอยู่ที่การเชงสิ่งแวดล้อมถ้าคุณมีลูกลูกคุณดื้อมากๆทาไงให้แม่หายดือ้อ คุณส่งให้คนอื่นเรเียงใช่ป่ะคุณบีสองก็จะดีกอยู่มือมันเลื่อนแน่ๆใช่ป่ะคือมันก็ต้องเช้งอ่ะคุณต้องคุณต้องเอาความกลัวของคุณออกเอาเฟียของคุณออกไปยังไงแม่่าติ้งทูลูสเห็นไหมต้องกล้าคุณต้องมีมีสัญชาตญาณนักลบอยู่ทำทาแผนทำวิจัยคุณูนักลบคุณการนี่จะเช้งการนี่จะเปลี่ยนแปลงไมงันแม่ก็เสียเดียนง โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนในเมืองนอกเนี่ยมันก็คล้ายค้ายเมืองไทยเนี่ยเด็กจบอสัมชชา ย, ยวิธีคิดก็ไม่เหมือนเด็กโรงเรียนอื่นเด็กจบวิชาวุธอสัมชาจะมีความเป็นความหนึงมันประหลาดประหลาดอย่างหนึ่งเด็กพวกนี้อยู่หอแตนะ่วิธีคิดของมันเหมือนเด็กหอทีมเมื่อค่อนข้างดีเนี่ยอสัมชาเดกก็วชาอาวุธชีวิตของมันต้องช่วยกันช่วยกันกินช่วยกันทตขึนน้นมานิสัยมันจะเปลี่ยนราชการเป็นเด็กวิาลับคล้เตอร์แม่งชัดเจน พวกมเด็กสังกเรียนเนี่ยผลการเด็กสังกะเรียนก็จะเหมือนๆกันขยันชิดหมายแต่ตเค ре ตีฟสู้สาธิตจุฬาไม่ได้ในความขยันสังเรียนเนี่ยขยันกว่าแต่ที่จุฬาจะเป็นนักคิดนี่คือวิจัยของฉันนะเด็กสไตล์สาธิตแม่งคเรทีฟสูงกว่าแหวกวงล้อมได้เก่งทํามานุน้นทํามานี้ได้เก่งถ้าแม่งทําห้าแม่งทำงส่วนเด็กสังะเรียนคิดอ่องออกนอกกรอบไม่ยได้จะทําเหมือนเดิมแล้วก็ขยัน คุณวถึงจุดจุดหนไทเป็นนายไทยใช่เขาไเหมือนแต่ี่เเป็นเขาเป็นโตจริงจริงใช่ไหมเด็กอแบกเป็นงไงเด็กเอแ บ, ไ, อแบมไม่ได้เหมือนเด็กจุฬาเด็กพระนครเหนือเด็กเด็กบางมดมิสไซร์ก็ออกมาก็ไม่เหมือนการมันอยู่ที่คูบาอาจารย์คุณแม่งใส่อะไรลงไปนั่นเองคุณถูกบริบท บ, บ, บีบออกมาคุณรูเด็กนิ่ส่าอุปสรร น, นะ ตอนที่มันปีหนึ่งสุราเนี่ยมันเด็กวิศวะเหมือนกันทั้งห้องวิธีคิดแม่ก็คล้าคล้ายกันอีกวผู้หญิงพวกเนี้นเนี่ยเดือนแรกหวานเหวี่ยงจาปีวิทย์มานะถูกไห ม, มนะราชินีนะหเดือนแรกหกเดือนผ่านไแม่งสันดานเลย <c oughs> แม่งรู้ผู้ชายชั่วเลแล้วเริ่มกับตัวใหม่ละใช่ปะ <c oughs> แม่เริ่มก้าวล้วแล้วเกเพื่อผู้หญิงเนี่ยตอนเรียนเนี่ลาผู้หญิงวิศวะแม่งเปลี่ยนามาถึบเดือนหลังแม่งเริ่ม <c oughs> มั่นใจขึ้น <c oughs> แต่พอมันไปอยู่เครื่องกล พอมันอยู่ไฟฟ้าพออยู่ไอออยู่เคนะพอปี4ก็เจออาจารย์อีกทีนึงเนี่ยโอ้ดูดูคุยได้แล้เดี๋ยว็รื่องออีเนี่ยเครื่องกลนี้เนี่ยไฟฟ้าอีเนี่ยสิฟฟ่งแวดล้อมอ้เนี่ ย, ออย i อ e. เด็กไ e, ออีออกมาเป็นไหนอาจารย์ในหัวต็มันด้วยการ take l i s ความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงคิ s เ i a น system กว่ามองเป็นยุทธศาสตร์กว่าอีพวกเคมอก็ตำาตำอ้เป็โอ้เปคู view. กดจนมือวนที่นี่แม่จมอยู่เลยครับโล่แห่แม่หรือแม่จมตยู่วยใ่ไหมไอ้พวกเครื่องค้เหมือนกันแล้วแม่เครียดทีห่หายเลยแม่รู้ใช่หมเจออะไรก็บ้าบอกมันไอ้เครื่องค้นแม่เป็นช่วยโยธาไอา้พวกจบโยธาสันดานแม่เป็นไงตัวเลขแม่ต้องไปเปอาจารย์ของมันทุ่ยยมสี่จุดห้ามผิดใช่ไหมผู้จารโยธาไอา้พวกกรรมกรวิชาลีของโยธ า, า, าแม่กรรมกรที่หายเลยใช่ไห เหนื่อยแม่งทำไฟในรีเมนท์กันเนี่ยแม่งแม่งขำนวณสโตนสเตนแม่งผิดไปสองสามจุดทฤษิยมเนี่ยแม่งศูนย์ส่วนวิศวะซึ่งคนประมาณ น, นี้เต็ม <c oughs> อาจจะเวล่าวิศวะึงคนอาจารย์ก็ให้เออประมาณ น, นี้ก็ให้มองนะดังไดานามิกก็แม่งยากที่หมายถูกว่ามึงแค่เขียนสมรรการส5ห้าอันแล้วบอกไอเดี ย, ขยเยขาอะมึงก็เอแล้วจะโยธาไม่ได้โยธามึงต้องแทนค่าสูตรจนจบเลยและสรุปเว่าานตัวนี้แม่งแรงเท่าไหร่สูตนพวกองอาการใช่ไหมครับ ห้องหน้าเบื่อชีวิตสับสนไอพวกโมงแรก เ, เมาชิสหายก็เลยยังไอเวนวิธีคิดมันเปลี่ยนไปหมดเลยไงวิธีคิดเปลี่ยนไปหมดเลยอยู่ที่บริบทหมดเลยไงที่คุณนุกบอกว่าเวลาคุณมีเมียเนี่ยทำไมเขาห้ามมีเมียห้ากเพ่พลาดไฟของอาชีพเปลี่ยนเขาอถ้ามีเมียเป็นเลขาสันดา้านยังไงเออ มําหนดเวลามึงห <antique> มดเลยวันไหนไปไหนไปไหนไปไหนนมึงตายมึงตายมึงต้องคิดแล้วมึงต้องคิดแล้วมึงเสร็จมึงเสร็จอ่ามีเมียนพยาบาลเป็นไงล้ายได้อย่างเละแล้วไล่ลงไปใช่ป่ะแล้วเขาอาใจมาคนเขาอาใจคนที่โรงพยาบาลมึงเมื่อเขาอาใจมึงเหรอมึงคือคนสุดท้ายที่เขาอาใจเขาไม่เอาใจมึงก็ราะมึงขผว่า แน่นอนก็บิบทมันจะเปลี่ยนไปถ้ามีม้ำครูล่ะอิไหวเงี้ยยิไหวใจร้ายเงี้ยมั น, น <c oughs> ามตายเลยแต่ก่อนนั้นไม่ใช่นะแต่พอมาอยู่แล้วมันเช้งใช่ป่ะถ้าคุณมาอยู่บ้านสามคุณไปสั้งระยะหนึ่งกับเพื่อนคุณที่อยู่สีลมไปนี่ว่าต่างกันใช่ไหมวิธีคิดก็ต่างกันอะไรก็ต่างถ้าเรอยู่คุณนั่งโตโยตา้าคุณก็เป็นอีกแบบหนึ่งคุณนั่งคันด้าคุณก็เป็นอีกแบบ คุณนั่งาสสากิจไม่ได้เฉยเฉยที่เขียที่เกี ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยนใช่ไหมคุณนั่งวานสสากิจถ้าคุณอยู่รอปท์อ <c oughs> ่ะไม่อยากคิดเท่าไหร่บ้างมุงเละเลยอะ่ะมุงเละเลยถ้าเป็นอาจารย์เป็นไงบ้างคุณก็เริ่มสั่งชาวบ้านนิ้วคุณแม่เริ่มจับเอาคุณจับใช่ไมสั่งสั่งสงับริบททั้นั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเชงอะไรเนี่ยต้องเช้งบริบทก่อน ก็บอกว่าที่นี่ถ้าจะทำเรื่อง a r n i ี่ organize เรื่อง house u l e นะแค่มาน้วยจิตใช้จิตวิทยาแม่งไม่ work ต้อง change c c h a n g e c วิธีบริหารอาจต้องรือ organize ชั้นชากันใหม่โยกมันชิบหายกลยับเปลี่ยนใหม่ถูกหครับไอตัวที่ไม่เป็นตัว motivator เขาเรียกว่า m r party b o p e r จดไปได้ตัวเนี้ย party r o o p e r ถ้าในองค์กรดีได้นะผมแม่งตบปากแม่งเอาแม่งออกไปก่อนแปลว่าอะไรรู้ไหมปาร์ตี้บูปเปอร์ตัวทำงานเลี้ยงกลอยคุณต้อง ก, กำจัดไอ้ปาร์ตี้บูปเปอร์นี้ออกไปก่อน Party oper, ปตีบูเปอร์จะตรงข้ามจะตข้ามกับโมดิเวเตอร์ยกตัวอย่างเช่นบริษัทจะทำาลิร์จิ่งโอเคไนส์ไอ้สันดาลนี่เป็นคนหนึ่งตอบปนี้ทำไปทำไมวะกูไม่เห็นโน่นแม่งจะได้ที่ีอะไรเลยแม่งไอ้คู่ฝ่ายบุคคลยิ่งเง่าแม่งจะทำ อ, อ, อะไรอีก เรีคนอย่างนี้นะถ้าผมได้ยินนะครับสิ่งแรกที่ทําเลยก็คือเรียกแจกใบเหลืองนะครับวุ้ยดิมมึงพุ่งสองสามทีเนี่ยมึงเก่งที่ไหนมึงก็ออยในองค์กรเพรอะไรครับคนคนนี้ให้อยู่แล้วคนอื่นก็ทำไมครเข้าใจปะพอเข้ามาเป็นทีมนี่มันต้องทําไมแล้วอันนี้ทีมด้วยทีมใช่ไหมถ้าทำไม่ได้ด้วยทีมมึงก็อย่าอยู่ด้วยกันเลยมึงก็ออกไม่มึงออกก็ครูออกมีสองช้อยเสียเวลาเหนื่อแบบ ยกตัวอย่างเช่นเดินทางไปด้วยกันในรถเกินใช่ไหมรถติดจิ๊บหายเลยปาร์ตี้บุ๊คเ่ยพูดว่าไงกูบอกพูกมึงแล้วเนี่ยนะไปอีกทางนึ่งะสบายกว่าเยอะไอเ้เถอะผีเป้คนนี้เข้าใจยัเฮ้ยือมึงพูดอะไรแต่แลออะเรื่องเาเรกว่าปาร์ตี้ก่อยอ่ะเข้าใจไหคือคือทีมก็ร่วมแบบโอ้โหไหนวะแมงคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะใส่หมวกดาของเดอร์โบโน่แบล็กฮ ของเดอโบโน่ผู้นี้มองในแน่ในกติกหมดเป็นพวกกลุ่มประเทศมีเมนเทลโมเดลเมนเทลโมเดลแบบลบแบบอักติไน้กลัวไหมเจออย่างี้ต้อน์เอานยะเข้าใจยังไงฮเซนลตอนนี้ แอชลี่โคลเนี่ยไปคุยกับใครมากๆเนี่ยอาชีนเวงเจอร์แมงอาชีนเวงเจอร์มันแก้เกมพวนี้เก่งใครก็ตามพูดเฟอ้อฟ้าอพรกแมงแก้เกมทันทีมันแก้เล่นปาพี่บูเปอร์เก่งไอ้ี่อาชีนเวงเจอร์มันเป็นป้าไอเนี้ยอีเวนเจอร์เนี่ยเข้าใจยงรู้จักนะอาชีนเวงเจอร์เนี่ยเตลุาสาันเหมือนกันนะเบ็คแคมเฟฟ้าพวกแม่ของเขาสตารขว้างเนี่ยไปแคร็บมัเขา้าใจยัง มูลินโยเหมือนกันนะเว้ยเห็นมันอย่างงั้ น, ห น, น, นหน้าแม่งเครียดจิบหายนะมึงใครพูดมากใครเรื่องมากเก่งยี่ไหนเขาปวดถ้าปวดท่านี้คืองานแรกของการบริหารเลยฮะถ้ามึงไม่เข้าทีมกับกูมีใครมาคือมึงเอา้าเดี๋ยวกูหาที่ที่ชอบที่ชอบพวกมึงอยู่ในการทํางานเป็นทีมเวไครก็แล้วแต่ทําอะไรก็ต้องช่วยกันช่วยกันตอนที่ผมไปอยู่วัดหลวงพ่อนะรายฟังมันมีหิน หินกองอยู่และเกะกะอย่างเงี้ยจุดๆๆๆจุดไต่หนัวเลยนะหินอยู่เงี้ยมันคือถนนยึดสภาพซึ่งเขาทูบออกมาทิ้งแล้วไว้หน้าวัดหลวงพ่อต้องการเอาไปสร้างเป็นลานเอาหินทั้งหมดมาสร้างลานตรงนี้ลานหนึ่งก็จะมีพระทั้งหมดอยู่ประมาณเจ็ดแปดรูปนะพระทั้งหมดเนี่ยเจ็ดปดรูปพระแต่ละคนก็เดินไปนะเดินเดินเดิน เ, นเหมือนพระไม่รู้จบเสร็จปั๊บ พระองค์แรกบอกต้องหยิบชิ้นเนี้ยต้องหยิบชิ้นเนี้ชิ้นน้ำเงินเข้มเนี่ยนะครับเชื่อไหมทั้งหมดแม่ได้มีใครเถียงเลยแม้ทั้งหมดไปหยิบหยิบอันน้ำเงินเข้มเสรแล้วก็แบดน้ำเงินเข้มมาถึงตรงนี้พระองค์ที่หนึ่งบอกว่าวางมุมนี้ทั้งหมดก็ทำไมครับวางมุมนั้นเช่นกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นความหมายนี่แปลว่าอะไรคะนี้ แต่ถ้าเป็นพวกเราล่ะสมมติผมบอกว่าเฮ้ยไปหยิบพระบุ่นหิ้งมาเนี่ยเอาดอกไม้มนหิ้งใช่ไหมมึงก็มากันสามสี่คนแล้วไปไงครับสามสี่คนสไตล์ไทยๆถ้าไม่ได้ฝึกกันมาใช่ปะงานไหนก่อนไหนรับมึงช้านะมึงมึงถ้ามึงช้านะดูพูดก่อนดันนี้นะ แปลว่าอะไรครับ อ, นนอู๋กับมึงยกมึงห้ามเสียงแต่ถ้าเกิดมึงวิธายไม่ดีพอาจารย์หยิบอันนี้ก็อะไรครับทำไมไม่มี้ล่ ะ, ะ, ะ, ะไปเจอไอ้สันตาอย่างนี้นะเข้าใจไหมาเราไปสามคนถูว่าคนแรกก็บอกให้หยิบอันนี้ถูว่ามึงก็บอกว่าทําไมไม่เอ็นนี้อย่างเงี้ยมึงแม่งโดนตบแล้วออกนอกทีมแล้วมันต้องเชื่อกัน ทั้งนี้ในใจมึงเ่ยโงชิดเผยหยิบอันนี้ดีกวเนียแต่มึงจะล้นทำไมครับยอมไม่ยอ ม, ยอมนี่คือฝึกขั้นแรกนยึดเบสิกของผ้าป่าเว้ยเข้าใจยังะป่าเนี่ยสายลูกปู่มั่นสายเราเราอยู่ด้วย ก, กันเนี่ยชื่อฟังใครคนเดียวครับเจ้าาดวาเจ้าวาคน่โง่ตรงไหนครับอฉดช้าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ดอกไม้เว้ยเป้าหมายอย่ที่ชนะใจตนเองเ ดันกน็แชร์ชประสบกา<แ>บรณ์ของคนนี้ไงไอเดียมันต่มึงเคยเขียนกันหอล้าป่ะเนี่ยแชร์ตนเอย่างวันนี้คุณฟังผมจบใช่ไหมสวันเนี่ยคุณนา่าจะทำโชว์แชร์แล้วก็ใส่เข้ามาในเว็บนะท่เยอะสิ่งที่ควแชร์ก็ให้ผู้เอนอาจารย์พัดสอเรียบีบองเห็นไหมในสรุปนี่ไงเนี่ยโอเคนะ มีเยอะแยะเรียนรู้กับทุกกิจกรรมภายในวัดวันที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่แสดงสันดานตัวเองหลายอย่างถ้าจเยาว์บอกู้าว่าคุณไปวัดผมต้องพาคุณออกไปอย่างบริบทตรงนี้เห่ไหมครับฝ่าย learning behavior หรือ facility จะดูสันดานคุณใช่ไหมคุณต้องไม่ค่อยเปลี่ยนตัวคุณเองไปเรื่อย ผมไล่ให้คุณออกไปทำวัดเช้ากับพระเพื่ออะไรครับไปฝึกเรื่อยๆนะเนี่ยเนีย่ยกงคืนอาจารย์ละพัดก็สอนเดินจงกรมก็ทดสอบจิตเห็นา้างไปที่หลุมศพแล้วนะไปที่เมนเนะว่วงสุดๆครับแค่นะเยอะแยะมากเค่นะเนี่ยฝึกกันะเยอะแยะเราดูหน้านี่เรยกโชว์แอนแชร์แล้วก็จะเปิดใจกัๆๆนมากๆ โปรแกมนี้เค ย, ยใช่ยังใช้บ่อยๆนะใช้บ่อยๆเยอะนะชวนแชร์ขอแสงเดือนในที่น้องแสงเดือนดูผู้หญิงเขียนบ้างเจอสิหวานแววไหมนี้สไตล์ผู้หญิงนะีน่มันคิดคุ้เทคนิคดีๆที่ได้มาจากวัาจุดไครแม็กของการฝึกอ้าน้องัูตาย ที่ได้ผลก็คือกลัวตรงไหนก็ให้หาตรงนั้นเข้าใจยังจักเลนเนอร์มันมีวิธีเรียนรู้เยอะนะที่ผมเล่นเล่นเล่นที่ปูจะเป็นแข่งขอดีเยอะมากเคยเรียนร่วมกันเป็นทีมไะมเนี่ยผมอยาให้คุณเรียนกันอยู่เนี่ยคุณเริ่มเก็บไอเดียเป็นทีมบางครั้งผมก็เอาโปรแกรมยากๆมาจะโปรแกรมยูรมมยยูรเหรอ าไม่ใช่ university leader นะเชียร์ leader นุ้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่ใช่อ า, ายุลีแปดโอ้โคตรเชยเลยโอ้ยมากตะกุดโปรแกรมสร้างหนังอะเคยทำยีัยผมนี่ยตอนที่ไปเรียนตัวนี้มาในครั้งแรกนะโคตรปื้มเลยนะทำหนังเยอะแยะเลยแล้วก็มาทำให้ลูกสาวดูเว้ยลูกสาวผมหัวลอกกากเลยป๊าพี่ปอเฮก็ เ, เป็นทุกคนแล้วค่ะ แล้วพวกคุณเนี่ยโอ้แม่งเชยยี่แบบแต่ยักษรแต่ยักษ์โปรแกรมยูลีดเนี่ยก็วิธีสุดยอดของการสอนคืออย่างนี้ที่นี่มีห้องห้องซีเชฟใช่ไหมมีคอมพิวเตอร์ทุกคนใช่มั้ยผมก็ให้ทุกคนใช้โปรแกรมยูลีดพร้อมๆกันแล้วใครได้ Lesson Learn ข้ le อควรระวังอะไรก็แล้วแต่ขึ้นไปเขียนบนกระดาน แน่นก็คือถ้าใช้ตามหลักของวิศวะก็คือลอดเซลล์เยียร์เรลดลงคุณดูนะถ้าคุณเรียนเองเนี่ยคนเดียวด้เดี๋ยวก็กว่าคุณจะเรียนแกนเรีนนิ้งเคิร์ฟนานนะคุณก็จะต้อง เตรฟาเตอรฟาเตอรฟาเตอรฟาเตอรฟารจนกวจะเอ อ, อ, อ, อ, อเป็นโปรแกรมอยู่แต่ถ้ารวมเงนเรียนน่ะคุณก็เรียกออกมาเขียนบนกระดานใช่ไหมว่าข้อดูเห็นดอนขอได้ครับนี่เขียนเลยตัอหนึ่งยา ก, กดอันนี้สองคลิกอันนี้ก่อนแล้วจะเป็นแบบนี้ได้ไ้ยพอสุดท้ายตอนจบผมได้ได้อะไรขึหนหน้นมาอันนึงครับ ได้ผล ด, ด่วนดอนหรือที่เรียกกันว่า lesson l e a r n ถ้าคุณทำ TPM ไอ้ยุ่นมันเรียกว่า one point lesson จะทำอย่าง TPM อะ่ะมันคือ one point lesson แต่คราวนี้แม่ many point ให้ก็ออกมาอัตราการทำโปรแกรมยูมิตเนี่ยเลียนเสร็จเข้าใจติ้นได้ภายในเวลา3ชั่วโมงเป็น fast learner ทังทีเลยแต่ถ้าปล่อยไปใช้เดียวยากนะ เช่นทำภาคตอนมึงก็งอโงงแต่มึงเรียนเมันสามสิบคนไปมีคนหนที่เต็นเร็วมากไม่บอกเฮ้ย hey, คลิกอันนี้กนะ่อนแล้วเติมอันนี้เดี๋ยวก็ได้แล้ะเดี๋ยวได้รูกเร่นออกมาเพียบถามเพนครับนี่คือฟา s t อร a เนอ r อันนี้เรียกว่าเลนเฮาตูเลิร์แบบไหนทีมเรียนนิ่งว่ะทีมเรียนิ่งเร็วเร็วมากช่วยกันเรียนมีเยอะอีกอันหนึ่งช่วยกันถาม ก็จะพาพวกเขาไปไหนครับพาพวกเขาไปไปต่างจังหวัดตอจวอยกตัวอย่างเช่นอ่พาพวกคุณไปดูงานที่ไหนสักแห่งหนึ่งไงก่อนไปไม่ฟมุ้งเมืไหรก่อนไปนะเพว่าคุณอยู่โรงงานที่นี่ใช่ไหมคุณอยากจะไปดูโรงงานชื่อแจงคอยเน่ยก่อนไปคุณต้องแบ่งทีมกันว่าใครจะถามอะไรหัวหน้าทีมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะเก็บคำถามพวกคุณมาก่อนแล้วมึงจะไปถามอะไรเขา ต่อมาหาคนที่แม่งเกิดปีมาเพราะคนนี้จะต้องทำหน้าที่หน้ามาหน้ามาในการถามมึงต้องช่วยกันเอาผู้คุณไปนี่แม่งเงียบเป็นจักเบอร์เงี้่นะมึงอยู่เฝ้าออฟฟิศผัวถามแล้วมีคนถา ม, ถา ม, ถามแบ่ง้องถามกันเอาง่ายเลยนะสมัยผมอยู่ชลา์นี่นะผมเข้าไปปฏิรูปเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเคยดูงานตอนปีสามไหม เด็ก ว, วิศวะปีสามปีสี่ 3, นะปีสี่แม่ก็ไปดูงานทุกโรงงานเลยใช่ไหมหกแห่งแปดแห่งอาจารย์คนเก่าเข้าใหม่อันนีสิตทั้งหมดนะนะัดเจอกันเที่ยงขึ้นรถจากนั้นบ่ายโมงเจอกันที่หน้าโรงงานทั้งหมดเขานั่งรับการบลิฟจากเลยนะจากคนของโรงงานเข้าใช่ไหมคนของโรงงานเขาก็ถุยไปเลยแล้วก็แบ่งกลุ่มไปดูโรงงานบ่ายสี่โมงเขาก็สนุกให้ฟังว่าเห็นโรงงานอะไรบ้างแล้ เ, เปิดโอกาสให้ถาม เงียบทั้งห้องแล้วกลับบ้านเขียนรีพอร์ตแม่งลอกกันทั้งห้องใช่ปะย่าอาจารย์แม่ก็ไม่ดูอะไรมากจำเน่าเอาคนสุดท้ายแม่ก็เอทั้งห้องเหมือน <laughs> กันไอเวนครูเขาไม่ถึงเนี่ยผมก็ไม่ถึนโนคิดอย่างนี้ก็ชิบหายเลยผมก็คิดใหม่ทําไม่ครูลองคิดใหม่ทำใหม่ทาไงให้การดูงานแม่งสักเซสแม่งลองคิดดิ อ่าหน่งเจอโรงงานเองอ่ะทำได้เด็กจุฬาแน่นรวยไม่มีปัญหาสองอะไรต้องมีรถบัสให้นะพอจย์จะไม่ลงทุนเด็ดกา <c oughs> คุณต้อ่รถาราจะต้องเข้าเด็กกีนรถบัสเนี่ยได้อะไรจก็ได้เห็นนะยุทธศาสตร์น้อยละต้องคิดยุทธศาสตร์ก็สุดยอดของการไปข้างแรกก็อย่าพุ่งไปทิมบัเฮ้ยคุณต้องส่งทีมงานใคอยากนเป็นทีมไหคุณก็ส่งใครเข้าไปก่อน ถ้าคุณถ้าคุณเล่นเกมแรกนากล็อกนั่เลยมาก่อนเนี่ยถ้าคุณเล่นเกมไดโบล์มาก่อนงานแรกคุณจะกล้าแทงเกอร์หรือพวกถือดาบาไปก่อน